มันจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างมากเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีสิ่งภายนอกต่างๆเนี่ย เ, เข้ามาเพื่อที่จะเอามาเป็นเครื่องกระทบให้จิตใจของเราต้องเลื่อนลอย <c oughs> บางครั้งนั้นเมื่ออารมณ์มันหนักเข้าเดินไปเหมือนก็ไม่ได้เดินจิตใจมันเลื่อนลอยไปหมด อันนี้มันอะไรกระทบเข้ามาคือสิ่งภายนอกเป็นต้นว่าเราผิดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยมันก็คิดแล้วคิดอีกมันจะอารมณ์มันจะขยื้อนหรือคือหมายความว่ากระทบเข้ามาในใจเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเกิดความเลื่อนลอยแต่ใจของเรานั่นน่ะทำไมเมื่อไม่มีอารมณ์ันั้นขึ้นมาเนี้ย เราก็เดินได้ตามปกติหรือว่าเราก็เป็นเหมือนกับคนอื่นๆตามปกติแต่ว่าพอเวลาอารมณ์นั่นปะทะเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดความเลื่อนลอยขึ้นมาอันนี้คือว่าสิ่งภายนอกหลายๆอย่างที่มันสามารถที่จะเข้ามากระทบกระเทือนให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดวความหวั่นไหวได้ตามปกติแ่เป็นเช่นนั้น เมื่อเวลามาทำสมาธิก็ไม่ใช่ว่าเมื่อทำสมาธิแล้วเนี่ยความเลื่อนลอยเหล่านั้นหรือว่าอารมณ์เหล่านั้นมันจะไม่มากระทบมันต้องมากระทบจนได้เมื่อมากระทบแล้วเนี่ยมันก็เกิดอาการแต่ว่าเมื่อเรานั่งสมาธินี่มันเกิดอาการอะไรขึ้นมามันก็เกิดอาการงุดหงิด เพราะว่าอาการงดเงียเหล่านี้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ทำให้กว่าเราจะต่อสู้มันได้นี่เราก็เสียวเวลาไปส่วนเยอะมันจึงเป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นความต่อต้านไม่ให้จิตของเราเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่าจิตโปรงใสคำว่าจิตโปรงใสนั่นคือ หมายความว่าเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะมาทำเป็นจุดดำให้ใจของเราเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆมันก็มาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาจอยกับใจคือไม่มาสามารถที่จะมาสัมพันธ์กับใจได้เพราะว่าตัวรับไม่มี แมื่ตัวรับไม่มีอารมณ์เหล่านั้นมามันก็ผ่านไปเฉยๆแต่ในขณะใดที่มีตัวรับอารมณ์มีอยู่คือมันเป็นตัวที่จ่อเป็นตัวรับอยู่มันมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันพอสัมพันธ์กันครับมันก็จะเกิดอาการขึ้นเพราะฉะนั้นอในการที่ว่า ความหงุดงิดเนี่ยอันนี้มันเป็นกิริยาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยมีจุดที่เรียกว่าปมอยู่ในใจอันนี้ก็ชัดเจนอันเนื่องมาจากความงั่ว ข, ของจิตหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าความสับสนเพราะจิตระหว่างการฝังสู่ความสงบนั่นเป็นความเข้าใจผิดแต่และคนที่ว่าโลกกระทจะเข้ากันได้หรือไม่ มาถึงจุดนี้จำเป็นต้องมีการบังคับแก้ไขเป็นคราวๆเหมือนเราดูแลเด็กจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยในที่ตรงนี้จะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าโลกกระทำเข้ากันได้หรือไม่โลกกระทำนั่นจะต้องอยู่ด้วยกันบางคนบอกว่าโลกก็ต้องอยู่ก็โลกทำก็ต้องอยู่ก็ทำเป็นไปไม่ได้ โลกกับธรรมต้องอยู่ด้วยกันเพราะอะไรจึงอยู่ด้วยกันเพราะว่าจะเป็นโลกก็คือใจดวงนี้จะเป็นธรรมก็คือใจดวงนี้ไม่ใช่ที่อื่นที่อื่นจะไปเป็นจะเป็นธรรมจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในสู่พระใจพิดกหรือว่าจะไปอยู่ในหนังสือหรือว่าจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะเก็บเขาเก็บคำทีไว้ก็ไม่ใช่ แต่ว่ามันอยู่ที่ใจของมนุษย์เรานี่เองใจของมนุษย์เราเนี่ยเป็นธรรมใจของมนุษย์ของเราในใจอันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นอาการจะเข้ากันได้หรือไม่ก็คือการที่อที่เขาว่าเข้ากันเนี่ยหมายความว่าโลกก็ทำใจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้ไหมมันก็ต้องอยู่ได้กันได้ ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้โลกก็เป็นโลกไม่ได้ธรรมก็เป็นธรรมไม่ได้แล้วพูดกันง่ายๆว่าเวลาเนี่ยสมมุติว่ามีวัดวัดหนึ่งอย่างเนี้ยวัดก็คือธรรมแล้วก็มีหมู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่บ้านก็คือโลกอย่างเงี้ยทีนี้อพระก็อยู่ในวัดพระวัดก็อยู่ในบ้าน ต่างคนต่างอยู่าศาสนาก็เกิดขึ้นไม่ได้ธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นได้เวลาพราก็ต้องเข้าวาดัดได้เวลาพระวาดก็ต้องเข้าวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นและทีนี้มาถึงเวลาที่ทำสมาธิเวลาที่จิตมันจะเข้าสู่สมาธิ ในขณะที่กําลังจิตจะเข้าสู่สมาธิเนี่ยมันก็คือโลกทีนี้พอเวลาจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตมันก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นธรรมก็ถึงอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโลกโลกก็คืออยู่ในธรรมอันนี้ถ้าหากว่าจะอธิบายเรื่องนี้ให้มากไปเอข้อความเหล่านี้ก็จะอธิบายไม่หมด นนนันเ้เพราะว่าการดําเนินงานเป็นระบบจึงเกิดขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หมายถึงว่าระบบการทําสมาธิยังเกิดขึ้นเมื่อมีระบบแล้วเราก็ทําตามระบบนั้นในที่สุดก็บรรลุความประสงค์เพราะว่าเราอาจจะเห็นการดําเนินจิตมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อความมีระบบที่เป็นแบบแผนก็จะต้องมีมิฉนั้นจะมิฉนั้นสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นไปตามเป้าหมายไม่ได้จำเป็นอยู่เองความหงุดหงิดอันเกิดขึ้นอันความหงุดหงิดนี้เป็นจุดดำจุดหนึ่งเราจะปล่อยให้มันมีอยู่ในใจไม่ได้ก็ทำให้ก่อตัวเป็นความไม่สมดุลเมื่อความไม่สมดุล เกิดมากขึ้นก็จะทำให้หลายๆอย่างอันเป็นลักษณะการต่อต้านของตัวผู้นั้นเป็นการตัดผลทางความก้าวหน้าของสมาธิในอันดับต่อไปออสิ่งที่เป็นลักษณะต่อต้านคือจุดดำที่อยู่ที่ในใจนั่นแหละความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเริ่มต้นจึงอยู่ที่ผู้แนะนาในทางประสานจิตที่รอรับ ไม่ใช่จะแนะนาอย่างสับสนจนผู้ทาสมาธิค่อยหวยไม่แจ่มชัดจึงต้องมีการสอบสวนชวนถามแก้ความข้องใจที่มีอยู่หมายความว่าการจะทำสมาธิจำเป็นต้องเปิดอกหรือเปิดเผยความจริงของการทำสมาธิให้แจ้งขาวไม่ใช่แจ้งแค่เฉยต้องขาวด้วย เพาความมีอะไรเครือบแฝงถือว่าเป็นจุดคือจุดดําพอความหนุดหงิดขึ้นเป็นเรื่องยืดยาวเนื่องด้วยความเป็นไปต่างๆของสมาธิเป็นนามธรรมเกิดขึ้นรู้เฉพาะตัวของบุคคลผู้นั้นเราพูดถึงว่าเอกลักษณ์ของผู้ทําสมาธิจึงอยู่ที่การเคลียร์จิตใจพูดอันนี้ก็เหมือนพูดภาษาฝรั่งไปที่จริงคือการทําความสะอาด ให้แก่จิตใจของเรานั่นเองเพราะว่าการทำสมาธินี่จะไปเอ า, เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาทำให้มันวุ่นวายอยู่ไม่ได้มันต้องอทำความสะอาดของใจให้โปร่งใสคือกาจัดจุดดำให้เกิดความโปร่งใสจะได้รับผลที่น่าพอใจอีกประการหนึ่งความจริงและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของสมาธิ จะเป็นหลักประกรันที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้ทมสมาธิเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะเห็นเองอยู่แล้ว <c oughs> และเป็นสัญญรักษณ์ที่จะประทักไว้อันเป็นปรากฏการณ์ของจิต ด, ดวงนั้นอันนี้เป็นประการสำคัญเพราะความจริงอันนี้ไม่ใช่อื่นไกลคืออมาิต ธ, ธรรมแม้จะเป็นเพียงเริ่มต้น มันก็แก้วความโกรธหงิดไปแล้วเปราะหนึ่งก็จะพูดให้ฟังชัดๆว่าที่ปรากฏขึ้นนั่นคือพลังจิตที่เราสะสมเข้าทุกวันทุกวันพราะเราสะสมพลังจิตเข้าทุกวันทุกวันเนี่ยสิ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าอริย ธ, ธรรมเพราะฉะนั้นอมฤย ธ, ธรรมนี้เราพูดว่าอริย ธ, ธรรมตัวนี้ก็ได้ไม่ได้หยาบคายแต่ว่า เป็นอรรถ ธ, ธรรมที่เราได้สะสมคือสะสมทุกวันทุกวันทุกครั้งที่เราทำสมาธิและการสะสมอันนี้ที่เป็นพลังจิตเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดไปตายแล้วร่างกายเราใจของเราไม่ตายแล้วก็จะต้องไปก่อพบกรอไปอีก พลังจิตอันนี้ก็ยังตามเราไปเพราะฉะนั้นจึงเรียกพลังจิตนี้อีกชื่อหนึ่งว่าอมฤต ธ, ธรรมที่เขียนไว้นี้ว่าอมฤต ธ, ธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายแม้จะเป็นเพียงเริ่มต้นแต่มันก็แก้วความหงุดหงิดไปเพลาะหนึ่งมนุษย์ทุกคนมีความหวงังความสําเร็จต่อสิ่งที่ต่อต้านการสำเร็จนั้นมีมากในหลายๆเหตุ เพราะขาดสติปัญญาขาดความมั่นใจมีความสับเข้ารู้เท่าไม่ถึงการเดินทางผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีการพลาดหมายถึงการผิดพลาดไม่ทราบทางแก้ไขก็ปล่อยเลยไปตามเลยแล้วในที่สุดกลับใจไม่ได้ก็ต้องผิดไปจนกระทั่งสุดขูแม้จะมีเหตุผลเกลียดกล่อมใจมากเพียงใดก็กลับใจไม่ได้และอีกอย่างหนึ่ง ก็จะต้องหมดหนทางจนเรียกว่าจนตรอดเราได้พบบุคคลในหลายๆ ห, หมู่เาล่าที่ต้องผิดไปสุดขู่เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักตัวที่ก่อก็คือความหลุดหงิดอันนี้เองนี่การแก้ไขที่ชื่อว่าตรงจุดก็คือแก้ที่ตัวผู้บงการหมายถึงใจสมาธิคือการอบรมใจเชื่อว่าแก้ตรงจุด แต่กว่าจะรู้หนทางนี่เป็นเรื่องยากดังนั้นจึงต้องมีการผ่านด่านที่ขวางกั้นมากมายกายกองสิ่งสับสนความชอบใจตามอารมณ์ความปล่อยปละละเลยความชาชินกับสิ่งเย้าวยวนพร้อมทั้งเจตนาเมื่อเป็นเช่นดังกล่าวจึงก่อการกระทบกระเทือนต่อความเห็นที่ผิดผิดอันเป็นตัวก่อให้เกิดความหุดหงิด ระดับจิตขนาดเบื้องต้นของสมาธิยังไม่สามารถจะต้านทานความกระทบกระเทือนต่งตางๆได้เพียงแต่ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ไปพรางก่อนสำหรับกุศโลบายเพื่อที่จะช่วยแก้ไขจะเป็นทางที่ให้เริ่มสมาธิต่อไปให้ตอลอดรอดฝั่งอันนี้ก็จะไม่อธิบายแหละให้เข้าใจเอาเอง ความเป็นไปในเรื่องของสมาธิเมื่อมีสิ่งงัวหมองข้องใจที่พูดออกมาไม่ได้ด้วยความเกรงใจหรือกลุ้มใจลึกๆพูดไม่ออกบอกไม่ได้แม้ตนเองก็ไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ย่อมถือว่าเป็นต้นเหตุของความหงุดหงิดหมายความว่ามีอะไรเนี่ยมันข้องใจอยู่ในใจของเราเวลาทำสมาธินี่มันก็จะมีอยู่ แต่ว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นมันก็เหมือนกับเป็นความลับหรือว่าเหมือนกันก็ว่าพูดออกมาแล้วก็จะกลัวอับอายใครหน้าหรืออะไรเป็นต้นมันก็จะหมับหมมอยู่ในนั้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้อาจจะมันก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่ง น, นักสมาธิต้องไม่ให้มีในใจหมายความว่าต้องทำตนให้ปลอดโปรงจริงๆแล ะ, ะการทำสมาธิจะมีผลต่อไปเป็นระยะอันยาวนาน เรื่องของการเดินทางของสมาธินั้นเป็นทางไกลจึงต้องเติมน้ำมันให้เต็มเท่าที่จะเติมได้พร้อมทั้งเครื่องยนต์ทุกชิ้นต้องไม่มีความบดฟร่องน้ำมันก็ต้องสะอาดไม่มีสิ่งสกรปรกเกี่ยวพนเครื่องยนต์ทุกชิ้นต้องได้รับการันตีอย่างดียิ่งพร้อมทั้งล้ อ, อยางคนทางเครื่องป้องกันยานร้อมมูลคนขับมีสติไม่เมา นี่แหละจำเป็นจะต้องเดินทางไกลทั้งปลอดภัยและราบลื่นอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบกับการที่จะกล่าวถึงต้นเหตุคือความหงุดหงิดต่างๆแม้จะเป็นต้นเหตุเพียงนิดเดียวมันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตจนไม่สามารถที่จะทำสมาธิได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าการทำสมาธินั้นมันก็เหมือนเราขึ้นยานพรหานะ ไปทางไกลที่สุดแต่เมื่อไปทางไกลที่สุดนั้นจานพหานนะถ้าไม่พร้อมมันมีอะไรมาอัดมีอะไรมีเครื่องอะไรต่างๆมันไม่พร้อมมันเ ด, เดินไปไม่ได้หรือว่าในที่สุดน้ำมันไม่มีก็หมดหนทางที่จะไปหรือบางทียางก็แตกเสียยางอะไรก็ไม่มีก็ไปไม่ได้ก็เปรียบเหมือนกันกันกนกบว่าเราจะต้อง มีความพร้อมทั้งร่างกายทั้ง จ, จิตใจทั้งสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราเนี่ยเดินสมาธิไปสู่จุดที่หมายปลายทางอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายให้เข้าใจและให้เข้าใจว่าเราเวลาที่จะไปอธิบายให้ผู้อื่นฟังนั้นเราจะไปทิ้งเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ก็จจำเป็นที่จะต้องเก็บ ข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเป็นเครื่องอธิบายเพราะว่าคนทาสมาธิเนี่ยปัญหามีเยอะแยะนั่งไปแล้วก็เจอปัญหานั้นนั่งไปแล้วก็เจอปัญหานี้ไม่ใช่แต่คณะนักศึกษาทั้งหลายแม้จะออหลวงพ่อเองเวลาไปศึกษาสมาธิอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นทุกวินาที เราก็อยากจะไปถามปัญหาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เวลาที่จะไปถามเพราะเวลาไปถามท่านก็ดูเอาบางทีก็กลัวก็ไม่กล้าถามอย่างนี้แต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอเวลาปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราก็แก้ปัญหานั้นได้บางทีเราก็แก้ปัญหานั้นไม่ได้อะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะบางทีทาจิตมันสงบเราว่ามันดีเราเน้ ว, ว่ามันดีแล้วมาอยู่ตรงสงบนี่สบายเราก็บอกว่าเราสบายแล้วพอเราสบายแล้วเราไปถามพระอาจารย์ว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยใช้ได้หรือยังทาง่านก็บอกว่าแกนี่มันหลงไปซะอีกแล้วเราว่าหลงความสุขอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่า คนที่หลงความสุขเนี่ยมันไปได้ไม่ไกลไปไปแล้วพอมีความสุขทำสมาธิก็ต้องการออามาอยู่ตรงความสุขไปที่ไรก็ไปถึงความสุขตรงนี้ก็สบายเสร็จ แ, แล้วพอนั่งใหม่อีกก็ทำไปก็ถึงความสุขตรงนี้ก็สบายไอ้ที่เป็นอย่างนี้กั น, นึกว่าเราเนี่ยได้สมาธิเยอะแล้วเพราะเราสบายมากแล้วอย่างนี้ พอเวลาไปถามท่านจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวแกก็ไปเกิดเป็นอะไรอ่ะเ้าเรียกกับพรหมลูกฟักทําไมาทั้งเรียกกับพรหมลูกฟักก็ไปเป็นเกิดเป็นพรหมลูกฟักเพราะว่าคําว่าพรหมลูกฟักเนี่ยมันไปอยู่นานเกินไปแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะไปอยู่สบายๆอย่างนั้นพอเวลาเราตายไปแล้วนี่นะถ้าไปเกิดเป็นพรหมลูกฟักเนี่ย โลกนี้แตกไปสามทียังไม่ยังไม่หมดเลยยังไปสบายอยู่นะัอนแบบเดียวกันกันกบอพญานาค่ะเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้าลอยถาดพระพเจ้าคนลอยถาดคือพระเจ้ามีในกลับของเรานี่พระเจ้าห้าองค์มีพระพุทธเจ้ากุภุสันโทโกนาคมโกนาคมาโนกัสโปมาถึงพระเจ้าเรานี่โพตรโม ผู้เจ้าองหนึ่งก็ลอยถาดทีหนึ่งผู้เจ้าองหนึ่งก็ลอยถาดทีหนึ่งลอยถาดกับไปลอยถาดตรงเดียวกันแ่ะที่แม่น้ําเนรัญชาลาใต้แม่น้ําเนรัญชนาลานั่นน่ะมีพญานาคอยู่ที่นั่นพอแต่ถาดลูกหนึ่งไปถึงฐาดโลกหนึ่งดังแกงังโอ้มาวันนี้ตัดสรู้องค์วันนี้มาตัดอีกแล้วว่าเอเพราะอะไร เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนนั่นเป็นเนน เ, เรียกว่าพระห้าร้อยเนนน้อยองค์เดียวใช้ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ด้นอนขออธิษฐานหลับให้เต็มที่เลยต้องไปเป็นพญานาคซะเพราะฉะนั้นเวลาทาสมาธินี่เวลาไปสบายก็ดีสบายก็เราไม่ว่ากันนะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าไอ้ตรงที่เราไปสบายเนี่ยไอ้ที่มันจะเกิดพลังจิตทำไม น, น้อย แต่ตอนที่สมาธิธรมธรมดาเนี่ยพลังจิตมันมีเยอะเนี่ยแต่ตรงนี้พูดมันอ่าพูดจริงๆนะเนี่ยม่ใช่พูดเลยอ่าของจริงเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็วันนี้ก็คงจะต้องไปถ้าวัวแดงกันอีกแล้วเมื่อไปอยู่ที่ถ้าวัวแดงแล้วพระอาจารย์ก็ยออ เพราะฉะนั้นเมื่อพระอาจารย์ท่านก็ไม่สบายก็เมื่อท่านไม่สบายก็จำเป็นต้องรักษาพยาบาลแต่ก็เป็นโอกาสที่ว่าให้ที่ถ้ำงูแดงเนี่ยจิตใจของคนเนี่ยคิดว่าทั้งประเทศไทยหรือว่าออจะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาจะคิดว่าถ้ำงูแดงเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อจิตของมนุษย์ เรือจิตของคนเนี่ยมุ่งไปสู่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดพลังอันหนึ่งขึ้นเราจะต้องมีความคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกว่าอาถันหรือสิ่งที่เรียกว่ามั น, นขลังมันอะไรเนี่ยคือว่าจิตของคนเราเนี่ยมันไปรวมกันหลายหลายจิตมีพลังหลายหลายเข้าไปรวมอยู่ที่เดียวมันก็เลยเกิดขึ้นค่ำคืนวันหนึ่ง หลวงพ่อหลังจากบีบท่านว่านั่นมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ท่านก็อท่านก็ให้บีบอ่ะทีนี้ท่านก็หลับไปอ่ะอาจารย์น่ะท่านแต่ท่านก็หลับหลับท่านก็ไม่บอกให้เรากลับอ่ะเราก็กลับไม่ได้ทําไงไม่รู้ว่าท่านลองรู้ว่าท่านทําอะไรก็ไม่รู้ธรรมดาเนี่ยพอบีบพอสี่ทุ่มห้าทุ่มท่านก็ให้กลับแล้ว วันนั้นเที่ยงคืนยังไม่ได้กลับเทนี้เราก็อยู่ไกลกันด้วยอพอเสร็จแล้วประมาณสักเกือบตีหนึ่งเอะต้องบอกว่านี่ดึกแล้วเหรอขโทษเอ้ยเที่ยงคืนกว่าแล้วกลับได้กลับได้พอเดินออกมาจากกระไดเท่านั้นแหละมันอะไรเกิดขึ้น แผ่นดินเนี่ยมันยุบไปเลยแอบอะไรเกิดขึ้นก็เราไว้นี่มันอะไรกันแน่ก็เดินไปเดินแอบแผ่นดินมันยุบลงไปได้ยังไงแอบนี่เราไปไหนพอไปแล้วกโอ้โหไปถึงก็ไปเห็นพวกมีอยู่สี่คนท่านนั่นเมืองทั้งเมืองแอบไอ้ามาเมืองนี้มันมันตายไปไหนหมด อ, อบอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ตายอ้าวไม่ตายแล้วทําไมมันเหลือสี่คนล่ะมันบอกว่าเอ๊ะสีคนเนี่ยนะถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่มีไอ้นั่นจริงๆเนี่ยคุณเองก็จะไม่เห็นพวกเราแต้ช่นเราให้เห็นสี่คนอีกดีแล้วเพราะนอกนั้นเขาก็อยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่คุณไม่เห็นอย่างงั้นน่ะเหรออแล้วถ้ายอย่างงั้นก็ บอกให้ไปอยู่หน่อยซี่ให้ดูหน่อยซิเดินตามเรามาเพราะว่า เ, เดินไปเดินไปในขณะนั้นเนี่ยเราก็ว่าเราเป็นเรานะไม่ใช่ว่าใครอื่นเราก็เดินตามมันไปเดินตามมันไปแล้วนี่นี่ น, นี่มันนั่งดูตรงนี้หน่อยสิก็พาดูไปหมดเลยทีนี้พอดูแล้วโอ้โหนี่มันอะไรอะ่ะก็อบอกว่าสมบัติกริยัเพราะว่า สมบติาศาตร์มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะอ่าเมื่อเวลาที่ภัยเกิดขึ้นเขาก็ต้องเก็บไว้สิไอ้นี่เป็นมงกุฎนี่นี่เป็นแหวนหนี่นี่เป็นเพชรเอี่น่ากลัวเอาไปให้โยมดีกว่านะระวังนั่นนะเก็บเอาไปแล้วเก็บเอาไปแจกโยมเอาอย่างนั้นนะยังไงเราก็คงจะเอาไปอแจกโยมได้เยอะบอกว่าเนี่ ถามสี่คนเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ยนะเอาใส่ย่ามไปได้ไหมเนี่ยอเอาใส่ย่ามไปก็ได้อยากได้เท่าไรก็เชิญเลยเ อ, นะเ อ, อย่างั้นนะอย่างงั้นต้องประเคนที่ไม่ประเคนก็ไม่ได้นี่เอว้วเนี่ยเขาก็จับประเคนให้เขาก็ใส่ย่ามจับประเคนให้กขาใส่ย่ามใส่ย่ามเสร็จแล้วเอนี่แล้วนี่จะพาฉันไปไหนอีกนี่ไปทางนั้นีเถยวไปเจอ แต่พวกนั้นโอ้โหทีนี้ไปเห็นตัางหลายหลายร้อยคนหลายร้อยคนเนี่ยมันมันทําอะไรกันเนี่ยเขบอกว่าโอ้นั่นสิฉันอยากจะเห็นพระมานานแล้วโอ้โงงแต่วันนี้เพิ่งจะเห็นเพราะกราบเราก็ว่าแหมมันกราบเนี่ยมันก็เหมือนคนเนี่ยแล้วทําไมเราพูดกันไม่รู้ภาษาในที่สุดพอเอไปเสร็จแล้ว เราไปนั่งอยู่คุติเอ้นี่มันอะไรเราฝันไม่ใช่ฝันนะเราเดินลงมาจากพระอาจารย์ดีๆเป็นอะไรอย่างงี้เดินเช้าขึ้นมาคนไม่ไหวแล้วนะยังไงก็ต้องคุยกับพระอาจารย์แล้วนะอาจารย์ครับผมเป็นอย่างเงี้เมื่อคืนนี้เฮ้ยทําไม่อย่างนั้นเราจะให้แฉบีบไปถึง เที่ยงคืนได้ยังไงจนแม่ขอบคุณพระอาจารย์มากเดี๋ยวมันก็ต้องพูดกันต่อนนะเวลาเอาท่านนี้ไปก่อนกังไรกกันว่าในยามนี้มันกลายเป็นอะไรพุทสาวมากเกือบตาย <c oughs> นี่นะ <c oughs> ในเวลาที่ เสียงหินมันลั่นแล้วมีน้กาสารถาถาว่ะอยู่ใต้ท้องระแดงแล้วเสียงมันลั่นมันเสียงอะไรเพราะว่าค่าคืนวันนั้นมันก็คงจดใจของเรามันเราทึ ก, กระทับในเมืไ่ไปถึงคืนแรกเพรก็คนจะได้ยินแต่เราคนอื่นคงไม่ได้ยินในตอนนั้นทนี้ตอนที่ร้องพ่อ พานักศึกษารุ่นสองไปลอยอินทนนทะ์คิดว่ามันคงจะเหมือนไปถ้างัวแดงนะกันก็เลยบอกวันนี้จะพาไปเมืองลับแลนะไปจริงๆเข้าไปไม่ได้เราลงกส็สต่ภูเขาอินทนนท์เองอนะ่ะจะให้มันเหมือนวันที่เราไปท้างัวแดงมันไม่เหมือนนะแต่ว่า คุ่นสามนี่อาจจะเหมือนก็ได้ <c oughs> ไปแล้วหายหมดนั่งซิฟ <c oughs> นั่งซิฟพิมลงในยุ่งใหญ <c oughs> <c oughs> ่วันนี้ก็คเงเป็นการถาม ต, ตามปกติตั้งแต่แปดสีหนึ่ง <c oughs> คุณวิชัยปัญิตานนรนรัชเชน นำ้ำมศการพระอาจารย์ที่เคารพในภาวะเศรษฐกิจของประเทศผดถอยนะครับหรือที่เรียกติดปากกันว่ายุค i อเอซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนทุกระดับทำให้จิตใจหงุหงิ้งต้านไม่สงบเกิดความเครียดโดยทั่วนหน้ากระทรวงสาธนารณสุขโดยกรมสุขภาพจิต ได้หาทางช่วยเหลือประชาชนโดยเปิดศูนย์คอดลายขายเทียกขึ้นเรียนถามพระอาจารย์ว่าในฐานะสถาบันพลังจิตตานุภาพมิจะมีวิธีการใดบ้างหรือไม่ที่จะช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีความเครียดเช่นนี้ถ้าทำได้นะครับผมว่าศูนย์หรือสถาบัน พลังจิตตานุภาพนี้จะเป็นจุดเผยแพ่และประชาสัมพันธ์งานสมาธิที่หลวงพ่อพระอาจารย์ได้วางโครงการไว้ได้อย่างดียิ่งเวลานี้ก็พเหมาะพะดีแตะว่าตอนอื่นก็ไม่ได้จังมาตั้งสถาบันตอนที่เกิด IMF เพราะฉะนั้น IMF ก็คือตัวก่อความหมดุดหด ทีนี้ความหดหงิดก็เกิดขึ้นจากใจของเหมือนคนเราไม่ใช่ไปเกิดที่ IMF แต่ว่าใจของคนเรานี่เป็นคนรับสิ่งนั้นมาแล้วก็เมื่อพูดโดยรวมก็คื อ, อเศรษฐกิจที่ไม่ขยายตัวหรือว่าเศรษฐกิจฟื้นลงไป เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทําให้เกิดความลําบากต่อห้างร้านบริษัทตลอดจนกระทั่งอ่ผู้คนต่างๆที่อาศัยห้างร้านบริษัทตกงานกันนับเป็นจํานวนหลายล้านคนท่านเหล่านี้เคยมีความสุขสบายเคยได้รับอผลก็เกิดการกระทบกระเทือนขึ้นสถาบันพลังจิตตานุภาพได้สร้างครูสมาธิขึ้น โดยด่วนโดยการที่สร้างขึ้นมาจากร้อยมาจนกระทั่งจากเป็นพันได้ครูสมาธิขึ้นมาเพิ่มขึ้นเราทราบอยู่แล้วลว่ า, าการที่เกิดกระทบกระเทือนนั้นก็หมายความถึงว่าจิตใจของคนเราเกิดการกระทบกระเทือนยังได้ตั้งเป้าหมายขึ้นมาเขาเรีย ก, กว่าเป็นโครงการ <c oughs> ที่จะพัฒนาจิตใจของคนเนี่ยให้มีความสงบเพราะว่าสมาธินั่นแต่ก่อนคิดว่ามันเป็นของเฉพาะพระหรือเป็นของคนที่สระแล้วแต่ว่าบัดนี้หลวงพ่อได้เปิดเผยขึ้นมาแล้วว่าสมาธินั้นไม่ใช่เป็นของพระ เป็นของค า, ารวสแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ยากด้วยยังได้เปิดสมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าวิธิสาสมาธิวิธิสาสมาธินั้นให้บุคคลทำสมาธิในเดือนหนึ่งนี่หกชั่วโมงการที่จะทำได้หกชั่วโมงก็คือการทำวันละสิบหานาที การทำวันละ15นาทีก็แบ่งเป็น3 3ครั้งครั้งละ5นาที5นาทีก็คือตั้งแต่6โมงถึง6โ ม, ง, 6มง5นาทีตอนเช้าหรือตอนกลางวันก็12โมงถึง12โมง5นาทีตอนเย็นก็6โมงถึง6โ ม, ง, 6มง5นาทีวันหนึ่งก็ได้15นาทีถ้าทำทุกวันก็จะเกิดได้ เดือนหนึ่ง450นาทีได้6ชั่วโมงเต็มล้ด6ชั่วโมงไปพอที่จะทําพลังจิตนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าในขณะที่เศรษฐกิจปุ๊บเนี่พลังจิตมันลดระดับลงไปเมื่อลดระดับลงไปก็เกิดความเครียดแต่ถ้าหากว่าทาอย่างนี้ได้นะระดับจิตนี่จะเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่งเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่งเพิ่มขึ้น แต่ว่าการที่จะทำเช่นนี้ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์อย่างพระขนงนี่ก็มีสามศูนย์ห้าศูนย์ก็ได้หรือว่ายานวาวหรือว่าน้องจอกอะไรก็สุดแล้วแต่แหงและห้าศูนย์สิบศูนย์ในแต่ละศูนย์นั้นก็จะต้องมีสมาชิกเข้าไปเป็นสมาชิกวิทสาอาจจะเป็นศูนย์ละร้อยละพันก็ได้ แต่ผู้ผููที่เป็นหัวหน้าศูนย์นั้นจําเป็นต้องมาเรียนสมาธิที่นี่แล้วจบครูสมาธิไปเป็นหัวหน้าศูนย์เพื่อที่จะได้อธิบายว่าเมื่อทําไปเดือนหนึ่งแล้วมีอะไรเกิดขึ้นทำต่อไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นแล้วโครงการอันนี้แต่จึงได้มีการผลิดครูสมาธิขึ้นเพื่อที่จะได้ไปตั้งศูนย์ ถ้าหากว่าตั้งศูนย์ได้ทั่วประเทศไทยในเวลาอันไม่ท้าก็สามารถที่จะขยายสมาธิวิธีสารนี้ได้ทั่วถึงเมื่อบุคคลมีพลังจิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยความเครียดก็หายไปพอความเครียดหายไปสติปัญญาก็เกิดขึ้นพอสติปัญญ า, ก เ, ก เ, า, ญญากเกิดขึ้นก็สามารถ ทำเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตได้แล้วก็สามารถแก้ไขโรงงานที่ไม่ดีให้ดีได้พราสมองปรุงแล้วาสามารถที่จะช่วยเศรษฐกิจของประเทศชาติาเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยโครงการที่จะวางแผนไว้อันนี้ถ้าสำเร็จเพื่อให้ได้ผลรวดเร็วฝว่าที่จะถึงเวลานั้นนะครับในฐานะ ครูสอนสมาธิหลวงพ่อจะมีกุศโลบายหรือธรรมะอุบายอะไรครับที่จะช่วยแนะนำให้บุคคลจำพวกด่านล่าวที่ว่านี้นะคร่อนคลายความเครียดลงได้บ้างครับมีอยู่ก็คือการส่งเสริมพลังจิตนี่อันนี้คือเป็นหลักการแนะนำการพูดนั่นก็พอที่จะพูดชลองจิตใจไปได้บ้าง แต่การพูดนั้นจะสําเร็จผลไปไม่ดีนะักส่วนว่าเมื่อสามารถสร้างพลังจิตได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะดีเท่านั้นตลอดจนกระทั่งการสร้างศูนย์สมาธิเรียกว่าศูนยวิริยานุภาพขึ้นอย่างที่สร้างไว้ที่ข้างพระมหาเจดีย์นี่เพื่อที่จะรองรับเอาคนทีเ่เป็นเจ้าของห้างร้านบริษัทหรือว่า ผู้จัดการหรือว่าใครก็ตามเข้ามาที่นี่เราจะมีครูสอนสมาธิให้และมีห้องให้นอนอยู่แปดสิบห้องแล้วก็จะมาทำสมาธิได้ทุกเวลาเปิดโอกาสเพราะว่าการเข้าทำสมาธินี่บางทีไปเข้าไปวัดก็ไม่รู้จะเข้าไปหาสมัาอยังไงได้เดี๋ยวบางทีข้าเจือจูเข้าไปกันค่ากลางคืนพระท่านก็ไล่เอา หรือบางทีจะเข้าไปนั่งสมาธิก็ยมจำสินเขาไม่รู้หน้ารู้ตาเขาก็มาให้เขา้ามันก็เข่าลาบากเพราะฉะนั้นจึงตั้งศูนย์สมาธิขึ้น <c oughs> ผู้ใดต้องการทำสมาธิเพื่อสงบระงับเจ้าของห้างร้านบริษัทก็สามารถมาพัฒนาจิตได้ที่ศูนย์สมาธิในที่สุดนี่พอเขาพัฒนาจิตเกิดพลังจิตขึ้นมาได้อันนี้คือจุประสง์ เพิ่มพลังกิจมนเลยครบับโอ้อถามปัญหาคนเดียวเลยเอาสมมต <c oughs> ิเรียกว่าปัญหาโ ล, ลกแจกแต่ว่าก็อย่างที่อธิบายมานี้ก็คงจะพอจับทางได้เอาละโอกาสคนตอบไปก็อขอเชิญคุณวิชัยอิทิชัยะคุณทนกราบนมามสกรพระอาจารย์ครับเจตยาจะถามว่า เมื่อเร็วๆนี้มีมีคนนั่งสมาธินฮะแล้วก็พูดถึงไปติดต่อกับต่างโลกไปบูดาวดาวเทียมหรือว่าจานดินต่างๆเนี่ยโดยอาศัยสมาธิอันนี้มีจริงหรือเปล่าครับมนุษย์ท่างดาวนี่ฮะแล้วถ้ามีเราไปเกิดได้นี่ครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสัญญาวิปะลา หลวก็เคยไปในดาวเทียมเนี่ยแต่ว่าฝันอันที่จริงนี่คิดว่าตามที่ตามพิจารณามาตามลำดับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นในการสร้างวิมานบนอากาศของมนุษย์เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จึเพื่อที่จะแก้การสร้างวิมานบนอากาศเนี่ยหมายความว่าวิทยาศาสตร์ จะไปพระจันทร์ก็ไปมันเลยจริงๆอะ่ะจะไปพระอังครารก็ไปมันเลยจริงๆอย่างเนี้ยเพราะว่านักวิทยา ศ, าศาสตร์ก็จะเข้าใจผิดนิดๆหรือว่าโง่หน่อยๆอะไรอย่างเนี้ยก็บอกว่าที่โรกพระจันทร์มีคนโลกพระจันทร์อังครารมีคนก็เลยส่งยานไปถึงก็เห็นแต่หินก็ <c oughs> เ, เลยไม่เห็นอะไร ถ้าคิดว่าเรื่องนี้ตามความคิดของหลวงพ่อเองอันนี้ไม่เกี่ยวว่าถูกก็ผิดแต่คิดว่าเป็นให้สัญญาหรือว่าความสร้างวิบากบนอากาศคือการสร้างอะไรขึ้นมาพอสร้างเข้ามากเข้ามากเข้า ม, าามันก็เหมือนจะเหมือนตัวจริงเห็นอะไรผ่านมาเนิดกันนึกว่าใช่ <c oughs> อันนี้ก็คงตอบได้ทอเนี้ถ้าเ ต่อไปก็ขอเชิญคุณวิเทียนสุนทรพจน์กราตนรรมชาติศาสร์สาสอาจารย์ที่รบอย่างยิ่งอกับผมมีคําถามนะฮะที่ขอเรียนถามอาจารย์อยู่สอนข้อที่จริงก็คือลูกสาวผมถามมาแล้วผมตอบไม่ได้ครับคือข้อที่หนเรื่องกฎแห่งกรรมว่าอทําไมกฎแห่งกรรมเนี่ย บุกคนเชื่อว่ามีความจริแล้วก็เป็นความจุติธรรมแล้วก็เป็นความสมดุลของโลกแต่ว่าลูกสาวของขับถามว่าแล้วทําไมมันตามมาข้ามชาติซึ่งมันไม่เป็นการจุติธรรมเลยข้อที่หนึ่งอข้อที่หนึ่งเรื่องของกรรมนะเอฮะก็เรื่องของกรรมนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าใครทํากรรมใดไว้กรรมนั้นก็จะต้องเป็นของบุคคลผู้นั้น แต่ทีนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ า, าคนเราเนี่ยร่างกายตายไปจริงแต่ใจไม่ได้ตายไปด้วยใจต้องไปถือกาเนิดสิ่งต่างๆในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเราเก็บไว้เนี่ยร่างกายเก็บไม่ได้แต่ใจนี่เป็นผู้เก็บแม้แต่เข็มเล่มเดียว ใจก็เป็นผู้เก็บไว้เงินทองมีอยู่ในบ้านเท่าไรใจเก็บทั้งนั้นเมื่อวันหายไปใจก็รู้ยี่นี้ว่าถึงว่ากรรมที่ข้ามชาติไปอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่ข้ามชาติเพียงแต่ว่าเราจากที่เรียกเขาเรียวกว่ากายแตกดับไปแต่ใจไม่แตกดับเมื่อเป็นเช่นนั้นกรรมที่ เราได้กระทํเอาไว้เนี่ยมันก็ตามมาถึงเพื่อที่เรียกว่าถ้าใครทำอย่างไรไห้กับเราคนนั้นก็ต้องถูกกระทาเป็นการตอบแทนเหมือนกันกันกบว่าคุกตารางอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เมื่อไปทำกรรมอย่างนี้ก็จาเป็นต้องเขา้าคุกเข้าตารางอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อพูดถึงกรรมแล้วนี่ เรื่องก็คงยืดยาวมากแต่ในที่สุดพุทธศาสนาก็สอนว่าศรัทธาคือความเชื่อเขาเรียกว่ากามสกตาสสัทธาเชื่อกำรรและเชื่อผลของกำรรต้องใช้ความเชื่อเราเนี่ยคุณครับข้ อ, ขอสองนี่จะเกี่ยวกับอธิษฐานคายหรือเปล่าไม่ทราบคือว่าความฝันของลูกสาวผมเนี่ยบอกว่า หลายหายครั้งเนี่ยพบฝันไปแล้วเนี่ยนะทั้งที่สถานที่ไม่เคยไปมาก่อนจะปรากฏว่ามันเป็นความจริงแล้วก็เคยไปพบในสิ่งที่เคยฝันอันนี้ก็เป็นอันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นลูกสาวก็ต้องได้ทราบอาทิตย์สมัญกายแล้วว่าอาทิตย์สมัญกายไปอย่างไรทหนนี้ก็จะรู้แล้วว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่มีพบเดียวมันจะต้องมี ถ้าต่อไปอธิตสมันกายนั่นแหละที่จะไปก่อพบต่างๆในอนาคตแต่การที่ไปในสถานที่ไม่เคยไปและไม่เคยรู้นั่นน่ะเขาคงจำผิดควันจริงแล้วเนี่ยอธิตสมันกายที่จะไปได้ก็ใจเป็นพูดที่วางแผนเอาไว้คือวางแผนเช่นนึกอย่างนั้นนึกนึกนึกนึ ก, นกแล้วก็เก็บไว้ในใจ พอเก็บไว้ในใจเสร็จแล้วพอหลับไปเป็นอาทิตย์มานใจก็ไปตามความนึกคิดอันนั้นแต่ความนึกคิดของคนเราเนาี่บางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่าไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปแต่แท้ที่จริงจิตเคยคิดไปอยู่แล้วขอบพระคุณครับเฮ้ ได้สามคนเองอต่อไปคุณวิในงามเชี่ยวเจ้มามรตการภาจา์ครับอยากทราบทำมันนำไปสู่ความเป็นพระโสดาบันนะและต้องเจริญวิปัสนาญาณไหมครับโออถามไปถึงวิปัสนาแล้วยังจะอธิบายไปไม่ถึงเพราะว่าการที่จะไปสู่พระโสดาบันหรือการไปสู่อริยะบุคคลนั้น จะต้องผ่านจุดพลังอำนาจไปก่อนแล้วคงจะได้รับการอธิบายให้ฟังต่อไปในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ยังเรียนไม่ถึงงั้น <c oughs> เปลี่ยนถามใหม่ได้ไหมครับเอ อ, เ, อ, อเปลี่ยนก็ได้แล้วตอนตอนผมอ่านวัดอาจารย์มั่นน ะ, ะตอนที่ท่านนั่งสมาธิแล้วเกิดลิมิตว่าไปพบสู้ปรตย์พีดกแล้วไม่ได้เปิด อ, อกอ่านนี้หมายความว่ายงไรครับ หมายความว่าความสําเร็จของท่านไม่ถึงปฏิสัมพิทาญานแต่ท่านสําเร็จปฏิสัมพิทาโนสาสหมายถึงว่าท่านมีความสามารถในการแนะนําสั่งสอนแต่ว่าสั่งสอนได้ภาษาเดียวสั่งสอนหลายภาษาไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิสัมพิทาญานขอบคุณมากครับอันก่อนข่าวมาแล้วถึงคุณวินลี่โคนาริอุ กับนันนส ก, การหลวงพ่อพระอาจารย์ครับกับเรียนถามถึงประโยคนามที่ได้ยินในการนั่งสมาธิคำว่ามัโทโพวิบุตรมังรอะว่ามเมตตาหลวงพ่อแปลและขยายความให้เถครับกับขอบพระคุณอย่าขุงโอ้ยังไม่ทันถึงมัทผลนะาถามข้ามหน้าข้ามไปไกลจังได้ยินในการนั่งสมาธิครับมั โคแปลว่าหนทางวิมุตแปลว่าทางหลุดพ้นมัคโคแปลว่าหนทางวิมุตมัคโคครับโคโพทิฮะฮโพทิฮะมัคมัคโพทิวิมุตติมังมัคโคทิวิมุตติมังก็เป็นคาถาเออเป็นคาถาไล่พิษเวลางูกัดก็เอานี่เป่าไม่ใช่ครับมัคโพทิ วิมุตติมังครับมักคือหนทางโพธิคือความตัสรู้วิมุตต์แปลว่าความรุนพ้นนแปลาตามศัพท์ไปเลยแปลว่าอย่างนี้มักแปลว่าหนทางโพธิความตัสรู้แปลว่าหนทางแห่งความตัสรู้คือมักแปดมีสมมติทิพัมมาสังกโปโสมาวาจาสมากมันโต สมาจิวสมาวิยาโมสมาสติสมา ส, สมาธิเมื่อมรักแปดมีอยู่ตาบใดพะระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกอตอบไดเท่านี้ท่านมาพันเตเอาอีกคนขอเชิญคุณวิลาวันทองตันนะสาวพระสการพระอราจารย์จิตขอถามว่าจิตที่เกิดปัญญามีลักษณะอย่างไรคะอะจิตที่เกิดปัญญาก็คือจิตที่มีสมาธิรอบ แล้วก็พิจารณาปัญญาในที่นี้เขมีอยู่สองคือโลกิยปัญญาและโลกุตระปัญญาถ้าเป็นโลกิยปัญญาก็ปัญญ า, าคิดเอ็กซ์อพอร์ตอปัญญาคิดธุระ ก, กิจปัญญาคิดหาแก้ไข i อ f มปัญญาพวกนี้เขาเรียกว่า ปัญญาแก้เศรษฐกิจในครอบครัวแก้เศรษฐกิจบ้านเมืองตลอดจงกระทั่งใครจะมาโกงก็โกงไม่ได้เพราะมีปัญญาอันนี้เขาเรียวกว่าโลยักปัญญาโลกุตระปัญญานั้นก็คือการพิจารณาถึงความเกิดดับเกิดมาแล้วก็ตายไปร่างกายคนมีแต่ความเปื่อยเนา่าเห็นข้างในก็มีแต่หนอนหนวดตัวหนอนออกมาทางตาขีดตา แลังหูขี่หูท้งงเขมูทีหมูม่เอาว่ากันไปอนอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกุตระปัญญาแต่ว่าการที่จะเป็นขึ้นมาได้นั่นก็ต้องมีสมาธิเป็นบาทอันนี้วันนี้ถามอะไรไม่รู้ถามไป้าหน้ากันหมดเนี่ยเราคือค่ะเอาแค่นี้วันนี้ <c oughs>